พระธรรมเทศนาแผ่นที่92าลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่21กรกฎาคม2559มีชื่อเรื่องว่าสงเคราะห์ใต้คางวันนี้เป็นวันที่21 ก ร, รกดาคมพุทธศักราช2559เมื่อวานเป็นวันเข้าพรรษานะคณะทาญาทโยมวันที่19เป็นวันอัสสระบูชาเป็นวันที่พระไตรสรณคมอุบัติขึ้นในโลกคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุบัติขึ้นในโล ก, ค, รรนนโลกคือวันที่19และก็วันที่20เมื่อวาน เป็นวันอธิษฐานพรรษาของพระสงฆ์พระสงฆ์ทั่วประเทศจำพรรษาสามเดือนอธิษฐานอธิษฐานพรรษาเมื่อวานเนี่ยแต่พระในวัดของเราเนอะอธิษฐานพรรษาเมื่อวาน17 2 5นาฬิกานาทีเมื่อวานตอนเย็นอธิษฐานพรรษาทุกองละทั้งหมดพระมีอยู่4 6รูปนะที่จำพรรษาในวัดเราเพราะนั้นขอให้ศรัทธาญาติโยม ลูกหลานผู้ที่จะมาตักบาตรใจบาตรจะได้รู้จํานวนแต่พระก็ไม่ไม่ฉันพร้อมกันทั้งหมดหรอกบางทีก็ขาดไปสิบเขาองค์บ้างเกือบ20่องค์บ้างบางทีก็ห้หองค์บ้างแต่ถึงยังไงก็ตามศรัทธาไม่ต้องหนักใจที่จะมาเอาของมาตักบาตรทางในครัวเขาก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วหรือทางในครัวที่พวกเรามาถวายอาหารทำ ถวายวัตถุดิบเอาไว้ของข้าวสารอาหารแห้งทางในครัวก็เตรียมเพื่อจะเลี้ยงดูพระสงฆ์ในวัดของเราแต่พวกเราเข้ามาละเอออ้าถ้าใส่ให้ครบก็ดีถ้าใสา่ก็าว่าไม่ครบก็ไม่เป็นไรใส่องค์ใดองค์หนึ่งในวัดแต่หลวงพ่อพูดจำนวนให้ฟังด้วยกันน ะ, ะนะพระทั้งหมดสี่สิบกรูป ที่จำพรรษาปีพุทธศักราช2559เเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาญาติโยมจะมาตําบุญตักบาทวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระหรือจะมาทุกวันก็นี่แหละพระสงฆ์แล้วก็พร้อมกันวันนี้หลวงพ่อเองก็ได้ไปชมคณะสงฆ์ว่าพวกเร า, าเป็นวัดวาศาสนาขึ้นมาก็บพึ่งพาอาศัยคณะศรัทธาญาติโยม ชุมชนกลุ่มของพวกเราแต่วันเกิดของหลวงพอ่อพวกกลุ่มทางไกลเขาก็จัดอของสำ่วยมีข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็มีของต่างๆมาแจกให้ชุมชนกลุ่มของพวกเราอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งแต่ส่วนแจกซีดีธรรมะอันนั้นหลวงพ่อแจกโดยสม่ำเสมอไม่ได้เลือกว่าคนใกล้คนไกลแจกทั้งหมด แต่แจกของบางสิ่งบางอย่างหลงเราก็ได้ให้ช่วยสงเคราะห์หลงเรียนต่างถิ่นบ้างโรงพยาบาลบ้างแล้วก็วัดวาศาสนาวัดอื่นๆที่มาขอจากเราเราก็ได้ให้ไปแต่โรงเรียนในท้องถิ่นของเราหลวงพ่อก็ได้ให้เหมือนกันแต่นานพอสมควร แต่มาวันนี้หลวงพ่อได้ไปชุมกับคณะสงฆ์ว่าควรจะสงเคราะห์อนุเคราะห์ลูกหลานในโรงเรียนที่พระไปบินทบาทนะคือพระไปบินทบาทในหมู่บ้านเราก็ควรจะให้กับโรงเรียนพออยู่มันอยู่ใต้ขาใต้คางภาษาภาษาอีสานใต้คางใต้คาง ค, คือใต้ขากันไกลเราไปตัมองที่อื่น ไกลเกินไปดูใต้คางไม่มองนะก็ไม่น่าจะถูกเพราะนั้นวันนี้จะได้พร้อมพระสงฆ์บางองค์แต่พระไม่ได้มาทุกองค์หรอกมาทุกมาเป็นบางองค์ที่องค์ที่เกี่ยวข้องแล้วก็พร้อมกับ ว, วิยาพัชกรได้โยมถามว่าผู้ใดที่จะอยู่ก็อยู่ดูก็ได้แต่จะมอบจตุปัจจัยให้กับโรงเรียน เพื่อเป็นการบริหารโรงเรียนแต่ทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อไม่ได้มอบให้เด็กนะาวนี้นะคือมอบให้เด็กคือมอบให้ครูแต่มอบให้ครูก็จริงแต่ผู้ใหญ่บ้านผู้ทรงคุณนรรมในหมู่บ้านผู้การศึกษาของหมู่บ้านาให้รับรู้รับทราบร่วมกันเพราะว่าเรามอบให้โรงเรียนแต่ให้โรงเรีย น, รรยนบริหาร ให้ดูให้ดูนักเรียนของตนเองขาดเหลือขาดตกอะไรสวมเสื้อผ้าขาดอะไรขาดอันอุปกรณ์การเรียนการสอนขาดก๊อกน้ำรั่วแป๊บน้ำแตกลักษณะอย่างนั้นสังกะสีรั่วอย่างนี้เราก็จะให้ครูโรงเรียนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดูลูกหลานของตัวเองเหมือนกับเขามาบริจาคเขาไม่ได้มา เขาศรัทธาญาติโยมมาวัดนะเขาไม่ได้บริจาคพระลูกวัดนะก็น้อยคนที่จะถวายพระลูกวัดนะโดยมากมาถวายหลวงพอ่อหลวงพอ่อเออที่ได้เจตุปัจจัยมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ของหลวงพ่อนะให้เข้าใจนะหลวงพ่อรับมาแล้วก็นนะเป็นค่าอาหารค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรทุกอย่างสําหรับพระลู ก, ล, กลูกของหลวงพอ่อถ้าจะเปรียบเทียบให้ฟังเขานะเหมือนกับรถคันหนึ่ง ถ้าเราจะใส่น้ำมันเครื่องหยอดน้ำมันเครื่องเข้าไปไม่เช่เาจะไปหยอดทดพวกฟันเฟืองไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นเขาไม่ได้หยอดที่ไหนเขาใส่เทน้ำมันเครื่องลงไปจุดเดียวที่ใดที่หนึ่งที่จุดที่เทน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องมันก็ไปขังอยู่ที่นั่นนะจ๊ะจากนั้นกไ็ไปเลี้ยงฟันเฟืองของมันพอเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็กลับขึ้นมาหาหม้ออีก มันก็ไหลลงไปหาฟันเฟืองอีกผลอระโยดน้น้ำมันเครื่องมันไหลไปทุกฝันเฟืองอรถคันนั้นก็อยู่ได้นี้ก็เหมือนกันศรัทธา ญ, ญาติโยมถวายจตุปจัจจัยหลวงพ่อมาหลวงพ่อเก็บไว้แล้วก็มองดูมีความจำเป็นพระเนรลูกหลานของหลวงพ่อหรือวัดของหลวงพ่อ มีความจำเป็นเรื่องอะไรบางสิ่งถ้ามันใหญ่มากหลวงพ่อกับประชุมสงฆ์ซะก่อนยังพ่อย่อออกไปแต่มันเล็กของมันเล็กน้อยหลวงพ่อก็ใช้อำนาจเจ้าอาวาสใช้จ่ายไปตามความเหมาะสมสมตามความถูกต้องตามความเป็นธรรมในเมื่อใช้ไปแล้วก็บอกได้บอกพระเนนได้บอกพระที่เกี่ยวข้องเออปัจจุบันนี้ได้ใช้ปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้เนาะ หลวงพ่อก็ได้แจ้งข่าวนะให้พระลูกพระหลานทั้งหลายเดชรับหูรับทราบเพราะนั้นเรื่องที่ตุปัจจัยที่ได้มาก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวก็สงเคราะห์อนุเคราะห์ไม่รู้วดที่ไหนต่อที่ไหนบางทีก็ใหญ่บ้างบางทีก็น้อยบ้างบางทีก็ศรัทธาญาติโยมถวายผ่านมาจากมาผ่านมาหาหลวงพ่อบ้างหลวงพ่อก็เออมอบต่ อ, อยางนี้ก็มีนะ แลยคือถวายโดยตรงหลวงพ่อมอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้ อ, ของก็มีแต่วันนี้นะเป็นปัจจัยที่ศรัทธาญาติโยมถวายต่างกลัมต่างวาระหลวงพ่อเก็บดูแล้วก็เออน่าจะสงเคราะห์ให้กับโรงเรียนอยู่ในใต่ขากรายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอยู่ไต่คางครับนะจะสงเคราะห์ลูกหลานเหล่านี้ละ่ะ แต่ไม่ใช่สงเคราะห์นักเรียนให้ผู้บริหารช่วยกันดูบริหารโรงเรียนให้สิ่งไหนที่ขาดเหลือขาดตกในโรงเรียนให้ปรับปุงแก้ไขแต่ถ้ามันมีความจําเป็นมากผูพยาบ้าลหรือว่าผู้เกี่ยวข้องจะมาพูดกับหลวงพ่อเป็นคลั่งคราวหลวงพ่อก็ยินดีเหมือนกันนั่นแหะ พะหลวงพ่อเป็นพระลูกพระหลานพระสาธารณะสิ่งไหนที่ขาดเหลือขาดตกบกพ่องในชุมชนสังคมพอหลวงพ่อบวชมาแล้วบอกแล้วบอกอีกนะบลงพ่อบวชมาไม่ได้หวังตัวเองตัวเองเป็นเศรษฐีนะไม่ได้หวังว่าจะเป็นเศรษฐีทางด้านวัตถุเศรษฐีเงินเศรษฐีทองไม่ใช่จะขอเป็นเศรษฐีธรรมเศรษฐีธรรมคือให้ ได้สำเร็จมักสาเร็จผลได้เป็นพระอริยะบุคคลไปเป็นพระราหันธ์เท่านั้นหละสมบัติภายนอกมาได้มาก็ใช้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์พ่อลูกหลานให้มาได้มาแล้วก็บแบ่งให้เกิดประโยชน์เพราะนั้นหลวงพ่อจึงไม่ทุกข์ใจได้มาหน้ามากได้มาน้อยก็ไม่ทุกข์ใจเผือๆได้มามากเราจะแบ่งยังไงนาเนี่ยกลัวมันจะทะเลาะกันอีกต่างหากเนี่ย ทำไม่ได้มาเราก็ดีเหมือนกันนะเราจะใช้แบบน้อยๆเราก็คิดอย่างนั้นอีกเหมือนกันนะลูกหลานนะเพราะเราไม่ได้ในใจของเราไม่ได้โลกโหโมกั น, นะแต่บางสิ่งบางอย่างก็คิดอยู่งคิดอยากจะได้มาเจ ว, ว่าเออเนาะพวกกลุ่มของเราเนอะเราจะสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาน้าสิบล้านบาทนะลูกหลานเนอะกลุ่มของเรานอะอันนี้เราก็เก็บหอมรอมเล็บลิปเหมือนกัน เพื่อมาให้หนักในเมื่อเราจะใช้ใจโครงสุดท้ายนะั่นคือมาให้ใครผู้ใดใครหนักใจไอ้หลวงพ่อก็พยายามเก็บจุดนั้นอีกเหมือนกันนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อทําอะไรก็วางแผนไว้ไม่ให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งหนักใจในในแนวความคิดของหลวงพ่อทางด้านวัตถุนะทางด้านวัตถุเรื่องงานคำทรัพย์สมบัติและไม่ให้ใครหนักใจ ผู้มาเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเบาใจได้สบายสบายใจได้แต่หลวงพ่อไม่ได้สอนให้คนขี้ตณีทีเนียวนะให้เสียสละหลวงพ่อเองก็เสียสละลูกศิษย์ที่มาเกี่ยวข้องหลวงพ่อก็เหมือนกันสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อวัดวาศาสนาต่อพี่น้องประชาชนตัวเองไม่เดือดร้อนควรจะทำนะถ้าว่ามันจะเดือดร้อนอย่าทำถ้าทําเข้าไปเดือเดือดร้อน การทำบุญทำทานควรจะมีเพราะเหตุใดเพราะอนิสงในการทำทานในหลักของพุทธาศาสนาและทันยืนยันว่าอนิสงทานเกิดมาพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากเพราะอเนิสงทานเกือกูลหนุนเป็นบารมีหนึ่งทานะรมีสัมปันโ อ, อ, อทานะคือทานะคือการเสียสละ เ, เราเกิดมา ไม่ใช่ว่าเกิดมาพบนิชาติเดียวนะเกิดมาถ้าเราไม่ถ้าเรายัางมีกิเลสอยู่ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจเราจะต้องเกิดพบหน้าชาติหน้าอีกในเมื่อเกิดพบหน้าชาติหน้าอั น, นสงฐานของเราได้ทำไวเนะี่ยจะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนติดตามจิตใจของเราไปพอทำอะไรลงไปมันถูกช่องถูกทาง มันไม่ทุกไม่จนหรอกอันนส้สงทานเกื้อกูลหนุนแล้วนะเพราะฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนาในะท่านให้เสือเส้อกรมเสือเส้อกรำเสื้อผลของกรรมกรรมคือการกระทําถ้าทําดีแล้วจะชั่วได้ยังไงถ้าทําชั่วแล้วจะดีได้ยังไงพวกเราเดียเ๋ยวนี้เกิดมามันขยันทํามาหาเลี้ยงชีพสัมมาชีพทั้งหมดการคิดก็คิดดีการทําก็ทําดีการพูดก็พูดดี น่แหลความดีก็ฉนองเราหะไปนักสถานที่ใดคนก็รักไปนัสถานที่ใดคนก็ให้ความเกรงใจให้ความต้อนรับขับสู้ดีเพรา ะ, ะไรเพราะเป็นคนดีแต่ถ้าเป็นคนเลวไปละสอคิดก็คิดชั่วทำออกไปก็มีแต่ป้นมีแต่ขโมยมีแต่เอารัดเอาเปรียบมีแต่จะจะฆ่าคนอื่นถ้ากระทำออกไปถ้าพูดก็มีแต่พูด นูนจาบช่วงคนอื่นเออจะฆ่ามันจะงั้นจะเบียดเปลี่ยนมันจะนั้ น, น, น, นแล้วจะทํำยังไงไปที่ไหนเขาก็กลัวหมดทเลยเขาว่าไอ้นั้นจะมาเอามามาหาเรานะมาหาบ้านเรานะอพวกเราก็เตรียมพร้อมเหมือนกันนะ่ะมันจะมาไม้ไหนมาดีแล้วมาอย่างไรนี่แหละถ้าคนเลวไปก็เป็นอย่างงั้น ล, ลูกหลานถ้าคนดีไปอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมนี่แหละดีกับเลวมันต่างกันอย่างนั้นละ่ะเพราะนั้นให้พวกเรา อย่างน้อยถึงไม่ดีขนาดนั้นก็คิดดีไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นแล้วการกระทำออกไปก็เหมือนกันไม่ทำเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นการพูดอ อ, ออกก็เหมือนกันการพูดออกไปก็ไม่คิดจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นคิดดีทำดีพูดดีอยู่นัสถานที่ใดไปนัสถานที่ใดความดีนั่นแหละจะคุ้มครองพวกเราอยู่เย็นเป็นจุกในทุกที่สถานตลอดการทุกเมื่อถ้าเรา คิดดีทำดีพูดดนะีถ้าเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้วนะกรรมชั่วจะให้ผลนะ่ะตนเองนั่นแหละไปอยู่ในะสถานที่ใดก็เเือเดอร้อนไปหมดนะทนีน่เพราะอะไรเพราะกรรมชั่วให้ผลนะอตอนนี่อไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพร น, นะทีานนี้นะ